เนื่องในวระขึ้นปีใหม่เป็นธรรมเนียมที่พวกเราชาวพุทธจะมาเสริมความเป็นเสริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการมาฟังเทศน์ฟังธรรมฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ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 คือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองถ้าได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังบ่อยๆขึ้นก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นสามจะทำให้กาจัดความสงสัยต่างๆไปได้ สี่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องและห้าจะทำให้จิตใจผ่องใสมีความสงบมีความสุขอันที่สงทั้งห้าประการนี้จะเกิดขึ้นก็อยู่ที่ผู้ฟังและผู้แสดงว่าทำหน้าที่ของตน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 มีพระอาหารหันต์รพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ได้บรรลุธรรมได้ถึงขั้นสูงสุดก็จะสามารถแสดงธรรมให้ผู้ฟังได้เข้าถึงธรรมขั้นสูงสุดได้นี่คือองค์ประกอบของการฟังธรรมคือผู้ฟังก็ต้องมีศีลสมาธิมีสติคอยรองรับเสียงธรรม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 ที่มีหลวงตาเป็นผู้แสดงเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องอริยาาสัจสี่อยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อเราฟังบ่อยๆเข้าเราก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจน้อมนำเอาไปปฏิบัติเพื่อดับตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ภายในใจของเราได้ทำให้จิตใจของเรามีความร่มเย็นเต็นสุข ปราสจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆพระอริยสัจสีนี้เป็นแก่นของคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>เป็นคำสอนหลักคำสอนต่างๆนั้นออกมาจากพระอริยสัจสีทั้งนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายจนนับประมาณไม่ได้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 นี่ก็คือสมุ ท, ทยัยเรียกว่าสมุ ท, ทยัยที่มีอยู่สามประการด้วยกันคือตัณหาทั้งสามได้แก่การมตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลธพะหรือกามคุณห้าภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่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 ข้อที่ห้าก็คือสัมมาอาชีว์อาชีพที่ถูกต้องข้อที่หกคือสัมมาวายาโมความเพียรที่ถูกต้องข้อที่เจ็ดคือสัมมาสติการนลเกรู้ที่ถูกต้องและข้อที่แปดสัมมาสัมมาสัมมาสมาธิ ความตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องนี่คือการประพฤติปฏิบัติแปดลักษณะด้วยกันที่จะเป็นเครื่องมือที่จะเอามาใช้ในการละตัณหาทั้งสามละกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาผู้ใดต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์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 ประโยชน์จากการเดือดร้อนของผู้อื่นแล้วเราก็จะมีสัมมาอาวยาโมคือความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่ถูกต้องของพวกเราก็คือเพียรสร้างมรรคแปดให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่จะไปเพียรสร้างลาบยศสะละเสริญสร้างความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย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 อย่างเวลาที่เราขับรถยนต์เราก็ต้องมีสติอยู่กับการขับรถยนต์ควบคู่ไปกับการบริกรรมพุทโธแต่ต้องถือการขับรถยนต์นี้เป็นงานหลักส่วนการบริกรรมพุทโธนี้เป็นงานงานรองถ้าเราไปมัวแต่พุทโธโดยที่ไม่สนใจว่ารถลาวิ่งเร็ววิ่งช้ามีรถข้างหน้าข้างหลังหรือไม่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 จดจ่ออยู่กับงานที่เราทําเป็นหลักแต่ถ้าทำแล้วยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะใช้พุโทโธดึงใจกลับให้กลับเข้ามาหางานที่เรากำลังทำอยู่ก็ได้ถ้าไม่เช่นนั้นมันก็จะลอยไปลอยมานี่คือเรื่องของสัมมาสติการเราเลิกรู้ที่ถูกต้องถ้าเราสามารถเจริญสัมมาสติได้อย่างต่อเนื่องจนใจน้ตั้งมั่นอยู่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 แต่ถ้าออกจาก ส, สติออกจากสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิใจจะมีความเย็นมีความอิ่มมีความสุขมีอุเบกขามีกําลังที่จะใช้สัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะคือปัญญานี้มาทําลายมาละปัญหาความอยากได้ถ้าปัญญาชี้บอกว่าสิ่งที่ ใจอยากนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะไม่เที่ยงเพราะไม่ใช่เป็นของเราอย่างถาวพรพอเห็นอย่างนี้ก็จะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากดูไม่อยากฟังเพราะเป็นการเดินเข้าหาความทุกข์เพราะเวลามันหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของ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 เมื่อตัณหาได้ถูกทำลายไปความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาก็จะหมดไปใจก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ไปตามลำดับของการกำจัดตัณหาที่มีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือระดับของพระโสดาบันระดับของพระสกิดาคามีระดับของพระอนาคามีและระดับของพระอารหันต์เมื่อถึงระดับของพระอารหันต์ ความอยากต่างๆก็หมดไปอันหาต่างๆเหลือกิเลตต่างๆก็จะหมดไปจากใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่านิพานความความสะอาดบริสุทธิ์ของใจนี้แหละคือนิพานนิพานไม่ใช่เป็นสถานที่นิพานเป็นความสะอาดเป็นความบริสุทธิ์ของใจที่เกิดจากการเจริญมรรคเกิดจากการสร้าง มักแปดขึ้นมาเพื่อที่จะได้เอาไปทําลายตันหาทั้งสามหรือกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจพอไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีตันหาไม่มีกรรมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาแล้วใจก็นิ่งใจก็จะสงบไปตลอดใจก็จะไม่ต้องไปเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไป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 ก็จะไม่ไปเกิดในภพต่างๆอีกต่อไปไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมถึงแม้ว่าจะเคยทำบาปทากรรมมาอย่างโชคโชนอย่าง อ, าองคุลีมาองคุลีมา น, นี้ได้ทำยะได้ทำบาปมามากฆ่าคนเป็นร้อยเป็นพันแต่พอมาได้พบกับพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสอนให้องคุลีมา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 กาเลนะธรรมะสวรัคงการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นวงคนอย่างยิ่งตามการตามเวลาก็คืออย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือในวันพระวันพระนี้ก็จะมีอาทิตย์ละครั้งเป็นวันที่พุทธบุอรศาสตร์จะหยุดภารกิจการทำงานต่างๆเพื่อไปวัดเพื่อไปฟังเทศฟั่งธรรมและไปปฏิบัติธรรม ไปทำบุญทำทานไปนรักษาศีลไปภาวนาในสมัยก่อนนี้การฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นโอกาสที่ยากเพราะต้องฟังจากบุคคลฟังจากพระฟังจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ต้องแสดงสดคือไม่มีการจารึกเป็นตัวอักษรหรือเป็นเสียงเหมือนสมัยนี้จึงต้องไปที่วัดกัน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 แล้วก็จะช่วยทำให้เรากำจัดความสงสัยให้หมดไปทาให้เรามีสมาทิติความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะทำให้เราในละปัญหาความอยากต่างๆได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วดับความทุกข์ได้และบรรลุถึงพระนิพพานได้อย่างง่ายดายนี่คือ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 จากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีเท่านี้พระธาตุมีไว้เพื่อที่จะให้เรามีความแน่วแน่มั่นใจต่อคําสอนของท่านอย่างเราเห็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าเราก็จะเชื่อว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเองจริงเป็นคําสอนที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าผูดด้ใดฟังแล้วก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิ สามารถนำเอาไปปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของตนได้ดังนั้นเวลาเราเห็นพระธาตุหรือได้พระธาตุมาหรืออยากได้พระธาตุนี้อย่าให้มันเป็นปัญหาเก่เยเพราะมันขัดกับความความจริงของพระธาตุพระธาตุมีไว้เพื่อให้เราตัดตัญหาความอยากไม่ใช่ทำให้เราเกิดมีตัญหาความอยาก อย่างมีญาติโยมที่ได้รับเกสาของครูบาอาจารย์มาแล้วก็นั่งเฝ้าดูให้กลายเป็นพระธาตุได้ยินได้ฟังว่าของคนนั้นคนนี้ได้กายเป็นพระธาตุแต่ของตนไม่ได้เป็นพระธาตุก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องผิดแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องสัมาทิฏิสัมาทิฏิให้เรารู้ว่านี่เป็นเกสาของพาาระอรหันต์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 มีการปฏิบัติมีการเจริญมรรคอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ทำภารกิจอย่างอื่นทำแต่การเจริญมรรคนี้เท่านั้นรับรองได้ว่าจะต้องได้เห็นผลในชาตินี้อย่างที่กุบาจารย์พระสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติชอบปฏิบัติปิดีปฏิบัติชอบที่เราก่าบไหว้บูชาได้บรรลุกันท่านก็เป็นเหมือนเราก่อนที่ท่านจะมาเป็น พระอาหารหันต์ท่านก็เป็นปุตุชนมีกิเลสตัณหาเหมือนกับพวกเราที่เป็นมีกันอยู่ในตอนนี้แตนะ่ท่านมีศรัทธาที่แน่วแน่มีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรมีขันติความอดทนที่จะปฏิบัติที่จะสร้างมักขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจจนหมดสิ้นไปนะ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 เพื่อความสุขความเจริญและเพื่อความสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาฟูราปาริปเรนติสากลารังเอวเมวะอิตโตทินนางเปตานางังอุปกัปะติ อิทิตังปฏติตังสุมหังคิปะเมวะสมิจยตุสาเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามะนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีธีขายุโภวะ อาพิวาทานสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารธมรวัทานติอายุวันอสุขังภาลาต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอ ย, อยากจะถามปัญหาขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟน เพื่อผู้อื่นจะได้ยินคำถามและคำตอบด้วยถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ถามผ่านทางคำถามที่ฝากมาทางอินเทอร์เนต็ตท่านอยู่บ้านถ้าอยากจะฟังอยากจะถามปัญหาก็เข้าไปในเ c e b o o k ได้เราเขียนเขียนคำถามในวันที่เขาจะตั้งข้อข้อใ ห, ให้ให้ถาม แล้วเขาก็จะเอาคำถามของท่านมาถามที่นี่แล้วก็จะอัดเสียงใส่ไว้ใน y o u t u ู e ที่เทศวันนี้ประมาณสักสามสี่ทุ่มก็จะขึ้นไปรอวันพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าไม่รีบร้อนเข้าไปเข้าไปฟังได้คำถามก็จะอยู่ตอนท้ายของการเทศนา응เทศนาประมาณสักสี่สิบห้าสิบนาทีก อ, อถึง หลังจากนั้นก็จะเป็นการถามตอบปัญหาถ้าท่านมีปัญหาถามก็คอยฟังไว้ถ้ายังไม่ชัดยังต้องการถามเพิ่มก็รออาทิตย์หน้าถามใหม่อ่อชิอนขึ้นมาน ะ, ะถ้าอยากจะถามปัญหาครับมาส่งอารมณ์ต่อนะคะก็คือว่าที่พระอาจารย์ให้ไปนั่งเ อ, อ่อนั่งสมาธินะคะก็นั่งก็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 ออในระหว่างที่ดูในความว่างอยู่เนี่ยคือมันจะมีความคิดเนี่ยผุดขึ้นมาแล้วก็จะพิจรารณาไตรลักษณนะฮะว่ามันเป็นอนิจจังพอพิจรารณาไตรลักปุ๊บเนี่ยความคิดที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยมันจะดับวูบลงไปเลยะ่ะแล้วก็เข้าไปในสมาธิอีกครั้งหนึ่งค่ะคือสิ่งที่ปรากฏในสมาธินี่ยังไม่ได้เป็นความจริงที่เราต้องการที่จะเห็น่ะ ความจริงที่เราต้องการจะเห็นก็คือสิ่งที่เราไปยึดไปติดอยู่เช่นร่างกายของเราร่างกายของสามีภรรยาของลูกของญาติพี่น้องของคนที่เรารักเราชอบเราต้องเห็นอ น, นิจจังในร่างกายของบุคคลเหล่านั้นเห็นอนัตตาในร่างกายเหล่านั้นว่าไม่มีตัวตนร่างกายเป็นเพียง เครื่องมือของใจของแต่ละดวงที่ใช้มาเป็นเครื่องมือตอบสนองตันหาความอยากต่างๆเท่านั้นเองต้องเห็นว่าร่างกายเหล่านั้นจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมี่เรียกว่านี้จังถ้าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องปล่อยให้เขาแก่ให้เขาเจ็บให้เขาตาย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 ที่จะมีกำลังต่อสู้กับตันหาความอยากเวลาที่ไปอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพื่อจะได้หยุดความอยากแล้วปล่อยให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ปล่อยให้ก็เป็นไปตามเรื่องของเขาแล้วใจจะได้ไม่มีความทุกข์เรจะเข้าใจนะเข้าใจแล้วค่ะมีอะไรไหมทีนี้เวลาเข้าสมาธิเนี่ยคือมันเข้าง่ายนะคะพระอาจารย์แต่ว่า พอเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับแบบมันก็นิ่งว่างของมันอยู่อ่ะค่ะแต่ทีนี้มันอาจจะแบบก็ใช่ทาอะไรสมาธิก็คือนิ่งว่างนั่งก็เพื่อห้มันนิ่งให้มันว่างเพื่อจะได้มีกําลังเหมือนบรรดาหลับนอนคุณได้อะไรคุณไม่ได้อะไรแต่คุณก็ต้องหลับนอนเพื่อจะได้มีกําลัง ว, งวังเช้าพอตื่นเช้าแล้วออกไปทํางานนี้ต้องการเงินสักกี่ล้านก็หามาได้ออแต่ตอนหลับนอนคุณไม่ได้เงินล้าน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 เช่นคุณกำหนดดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปบริการพุทโธก็บริการพุทโธไปเดี๋ยวมันก็กลับเข้าไปเหมือนเดิมในเบื้องต้นอาจจะต้องคอยกลับให้มันกลับเข้าไปบ่อยๆนานๆเพื่อจะได้มีพลังมากๆ ก, ก, ก, ก่อนที่จะออกไปทางปัญญาครั บ, รบขอบคุณพระอาจารย์มากครับามีใครอีกไหมไม่มีเดี๋ยวจะได้ให้ทางบ้าน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 คือให้อยุดที่จุดใดจุดหนึ่งอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าจะดูลมดูที่ปลายจมูกก็ได้ดูที่หน้าท้องก็ได้คือให้รู้เฉยๆรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกเช่นถ้าดูที่หน้าท้องก็ยุกหนอพองหนอลมเข้าท้องก็พองขึ้นมาลมออกท้องก็ยุกลงไปให้รู้แค่นี้ถ้าอยู่ไปถ้าดูลมที่ปลายจมูกก็ให้รู้ว่าลมก็เข้าไปลมออกไป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 ก็ให้ใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาว่าแฟนเป็นอะไรแฟนเป็นอนิจจังหรือเป็นนิจจังเราไปกำหนดบังคับให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้หรือไม่เป็นอัตเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นว่าแฟนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะได้ตัดหางปล่อยวัดได้ปล่อยเข้าไป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 ก็ทำว่าทําสอนให้ทําอย่างไรก็ทําตามทำท่านสอนให้ทําทานเราก็ทําทานเราอย่าตนันเองแต่ที่จะเอาเงินมาทําทานเราเอาเงินไปซื้อขนมกินอย่างนี้เรียกว่าไม่สมแก่ทำสมแก่ขนมะถ้าสมแก่ทำก็ยอมเสียสละขนมแล้วก็เอาเงินนี่มาทําทานหรือซื้อขนมมาแล้วก็ไปแจกเด็กยากจนอย่างนี้เรียกว่าสมควรแก่ทำ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 จะทำให้ไม่สามารถจเจริญสติทำใจให้สงบได้ฉั้นึงบุคคลที่ต้องการที่จะได้ผลจากการบวชมักจะต้องไปบวชอยู่ที่ไกลๆบ้านที่ยากต่อที่ผู้คนทางบ้านจะไปเยี่ยมได้การจะทำอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการเป็นการกระทำบาปหรือใจร้ายอย่างไร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 คุยตกกังวลด้วยความว้าเหวเวลาที่จากเขามาถ้ายังมีกิเลสอยู่นี้เวลาคนรักมาหานี่จะดีใจแต่พอเขากลับไปแล้วจะเศร้าใจจะทาไม่มีทาให้ไม่อยากจะภาวนาไม่อยากจะเจริญสติใจจะคิดถึงเขาที่คิดคิดถึงคนที่มาเยี่ยมแล้วก็อยากจะกลับไปอยู่ใกล้เขา ถ้ามาบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวก็ลาสิขาไปนี่คือสาเหตุที่เวลาพระบวชใหม่นี่ไม่อยากจะติดต่อกับใครทางบ้านเพื่อที่จะได้ตัดอารมณ์ความผูกพันเพื่อที่จะได้บำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างได้เหตุได้ผลพอได้ผลแล้วจิตใจมีพลังแล้วก็สามารถที่จะกลับไปเยี่ยม บ้านได้ไม่เป็นปัญหาอะไรคาถามต่อมาค่ะกรณีผู้ป่วยอาการหนกักไม่ควรจะให้ยาโมฟีนกับผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยจะไม่ได้สติจะไปแบบไม่รู้ตัวจะไม่ถึงนิพานถูกต้องไหมเจ้าคะไม่ถูกแล้วโ ม, มฟีนไม่โมฟีนถ้ามันไม่มีทํามมันก็ไปไม่ได้อยู่ดี